ตัวเรามีปฏิกาณิการสิ่งที่เป็นธรรมก็เกิดพฤติการที่จจสิ่งที่ไม่เป็นธรรมก็เปิดตุ้นกับกายปัจนี่ปฏิบัติธรรมก็ต้องไม่ป้องป่ากานเพื่อจะได้รู้กายใจในโลกดาน ปฏิบัติธรรมคือการมาดูแลกายใจให้กันพุ่มอยาให้ข้าจิก็หมอวงจนเป็นไทยต่อกาตอจายดเาอาจะคิดเคยด่ดอ้อมมึงของหวใช้ฝ่าของหล่อใช้หญองหลอใประทังผิดตรพาเป็นทุกเป็นทุ ทำอย่างไรเราจะอยู่ในป้อมปราการเพื่อจะเห็นค่าศึกถ้าเอยู่ในป้อมปราการก็จะก็เป็นกองโจรน่าจะเสียเกียบมันประเทศไทยได้าต้าจอมล่ากองโจรที่ลบกัเจ้าหน้าที่คือกองก็จะเป็นกองโจร ลอบยิงลอบวางระเบิดโดยภูมแฐนที่ดูประวัติงานแค่ไหนเจ้ากันที่เมื่อวานนี้ก็มีผู้น้อยตำรวดใหญ่ที่เป็นกองตาบที่มีผีผืมือไปเปิดงานบัณฑิตน้อยกลับมาตกวางระเบิด ล้าพนุษย์ตีรถแตกเป็นราบเศษเหลเ็กไปเลยตกในร่องน้ำ๋ ย, ย่าคิดไม่รู้ว่าสชครเป็นสชค้ายกองโจนแล้วก็เสียเปียวเพราะว่าประมาททุกเรื่องกรู้ว่าทุกหลงเรื่องก็รู้ว่าหลง โกรธจะรั่วโกรธอารั่วไปจนพอร่าอยู่แต่ถ้าเป็นผู้ทุกข์เป็นผู้หลงเป็นผู้โกรธก็เสียเปียกข้าสร็จปแล้วเราเรามาต้งป้อมได้ดีมันก็ลบไป่ได้ก็เป็ น, น, ไปไนในภายก็ชนะยอดไปเลยลออไปเลยหมดไปเลย มามีเดียเพราะว่าหลงก็ะว่าโกรธเพาะว่าทุกเป็นผู้มาเมีห้าสิบหรือว่าเพราะอายะบุคคลชันใดชนหนึ่งเรื่นี้ไม่ควาจะเข้าถึงจุดนี้กันจะเป็นนักปฏิบัติก็ต้อ ง, องเหมือนตกอยู่ในอ้องภาการที่จะเป็นนักปฏิบัติได้เต็ที่ ไม่ใช่กิจกรรมต่ตางๆที่จัดให้เกี่ า, าววาา่าป่าตองว่าชวนมนล่าเดินจงกรงมเอาลูกแบบกิจกรรมเป็นสิ่งที่ให้ปฏิบัติตัำตามกิจกรรมไปโดยที่ผู้ทำตามกิจกรรมไม่จะไม่ค่อยรู้เรื่อง ใารูปงานทำปฏิบ <c ười> ัต <0. S 2> ิธรรมบางสัมมนาบางวัดตั้งแต่ปีสี่สีามทึ่งมาแล้วผมเป็นที่เาลานธรรมวัดคือจะจบไปช่วงง้อน่งกรรมวัดเสก็ไปไปเลยงานธรรมวัดแบบเดียวไปเลย เดินเชิมช่อไม่เป็นโคจนายังถ่อต้องตปนเสียงโคจนนล้านจามาจามุตโตภะควะวาโอเมราาเนี่ไม่ใช่โคจนนาเป็นเสียง ืองไม่ใช่โกจนาโคจนาต่ออ ร, อรอะะหันสัสมมาสมพุทธโภพกาวาทอผู้นี้พระพ่อเจ้าเป็นพระอรหันนี่คือโกจนะยินเวลาเตครึ่งโตครึ้นนอกแต่ น, น, น, า, นาก็พิธีก่อนเอาไปจิ้นหนอยโธ่ ปวดกระสิษหยาคอนในพวกวิธีคอนทำให้ชินหมดดาวแล้วก็ประถุวิธีคอนล่าสมองไปก่อนลราการที่ได้ฟังรมก็ได้ฟังเรื่องโน่นเรื่องนี่จะตกแหงนก็ในแตรูปแบบแบบนั้นก็ยังไม่ใช่ป้อมปาการที่แท้จริง ก่อนปรกที่เกิด t i ế n ้มตะกิดอันสาเกิดขึ้นจากตัวเราผลขวอย่อเจาะเกิดึ้นที่ตัวเราเกิดจากงูเข้ามาจับท่างยาดเหยียดแยงๆยาคุบหากรยาคุบคลีกรเลียดาไปมั่วไปสวมกันเลียให้หอกอ ไม่รู้อะไรข้อยล่วงเวลาตัวเองทุกข์ขวัญข้อยเวลาที่อยู่ในป้อมปราการป้อมปราการเพื่ออะไรกค็คือมีสติภายในกายอยู่เป็นประจานี่สู้แขนเลาเหยียบแขนดอกรู้จุดตัวอยู่นี่นี่แหละสติด้าลอกเหมือนกับดูแลกายใจอะไรตเกิดขึ้นมายิ่งไปรู้ หายเห็นคว h มรู้จังมือขโมยกันน้นไว้ป้องตาตนี่คือความป้องน่าเห็นทหารก็เมยนลบที่มีสีเมืองมีอาวุธทิ่แม่นยิงแม่นยิงเร็วยิงไว้ตงถูกทุกที่บรุษท่านว่าดินมันพื้นมีปืนมันยิงบุมุขทจะติ ดินก็คื อ, คอนทาที่มันพื้นขึ้นมาให้รูให้รูแล้ลก็เป็นดินที่ดีได้มีปุ๋ยมีพืปลูกจะไปลงไปงอกงอขออยันรูขยันรูนีอันนี้จึงจะเป็นนักกวทบัตกว่าบัตร ปัญญาตั้งจริเป็นสงเหว่เห็นเกิดที่เห็นจิงที่เกิดเพื่อความกังวานที่เป็นธรรมเป็นอาธรรมสู้จัดเลือกผ่านตาผ่านการสองผ่ า, งนานมาแล้วข้างน้ำมาแล้วต้องไปถามษาบอกความเท็จความจริ ง, ง, งให้เจอตัวเองเป็นเจนชี้วัดมีจิตปัญญา นี่เศรษฐีชาวนปัญญาจะคิดว่าเหมือนกับเขียนทิศบอกทิศบอกทางตลอดเวลาแต่ไม่มีเขียนทิศในชีวิตมันก็หลงที่จเป็นสมพรัตรัตตัยที่แท้จริง ว่าใช่บวดมาแล้วห่มผ้าเหลืองแล้วเป็นพระสงฆ์เลยไงยังไม่ใช่เป็นสมมติสงฆ์แต่ต้องมีระเบียบจิตวัตรพิทีวัดเพื่อให้มีนิสายก็ยังดีกว่าที่ไม่เป็นสงฆเื่นเช้าเช้ามาหลือเ่นเช้าไม่ก้าหลังยามทำรัตสวดมนต์ไห้พระวบวิหารอะไจดี เป็นทําบัตางทํามัดคําสองสองของผู้อาจาผู้ปฏิภาพู้อาจาเทนาบัตรดูตัวเองอะไรที่มันดีกว่าครบทวนดูตัวเองเห็นข้อถาดตกบุพรองที่ใดแก่ สมาที่ไหนแย่วันหนึ่งมีอะไรเกิดขึ้นให้เป็นจิตประจำบหังสวนตัวดูตัวเองอย่าให้ตะปูแล่งเป็นแรงตมูกาเป็นกาต้งตองหมั่นฝึกฝนตนเองอีจ่เสมอห่อผ่าผ่องผ่อนงบพ่อเรียบร้อย ในระเบียบหัดตนสนตนการใช้ชีวิตการยืนการเดินกาอนั่งการนอนการพูดจาการใส่การศึกษาให้ลูกได้ไต่ถามท่านผู้ลรือว่าเป็นคนปิดประตูตัวเองเป็นคนเปิดประตูนักไร้ว่าง มันจุศยาเกียรข้ออันนี้คือเป็นจินปตปฏิทิวัดหัดไปหามาก็จะลวงถึงหลักปฏิบัติง่ายอันเป็นไปนเองืจนได้รู้เรื่องสติสัมปชัญญะในชั้นสติ สอนในลูกอะไรต่างๆเห็นมันเกิดจากตัวตรานี่ผู้สอนแต่ผู้ศอนธรรมที่เป็นธรรมที่ไม่ใช่เป็นธรรมก็มีอยู่เป็นหมวดเป็นหมู่มีความโลภความโกรธความหลงมีเป็นผาผู้สศนความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงเป็นผาผู้นแก้กันได้วิาลปะฏิบัติ จะเห็นสิเหล่านี้แน่นอนจะพอน่ามีสติก็ตรงกับความหลงส่วนหน้ากันเลยตรงกันข้ามเลยทีเดสติก็คือรู้สึกความหลงไม่รู้สึกก็ตรงหน้าตรงตาพอเดิหันตาทีเดินขมองเห็นไหลตรงหน้าไม่ฟีเห็สติก็มักจะเห็นความหลงเห็น อาการอากาเกิดขึ้นกับปากใจก็จะเดรู้เดือดรู้ไม่ควออย่าเพิ่งหาเหตุหาผลให้สติเข้าไปเฉลยก่อนระเบิดตนโดยเปียนควมไม่ดีเป็นความดีวันหนึ่งไม่ั่วจีเรื่องมันเกิดกับปากระใจเปลี่ยนความไม่ถูกต้องเป็นความถูกต้องหลายเรื่องหลายอย่าง แม่เรื่องเก่าที่มันเกิดผิดก็ทำให้เป็นเรื่องถู ก, ท, กทุกขัง้งทุกเท้าไปนี่คือปฏิบัติธรรมเข้าถึงการปฏิบัติรอไม่เปลี่ยนความรอาเป็นความดีแล้วก็ไม่ั่วเป็นนักปวดปวดที่ขึ้นหนีความทุกข์ไปสู่ควา ม, ววามดีมันจะเป็นนักปวดเต็มที่ เมื่อเรามาหลงลูกขึ้นมาเป็นนักบวชแล้วหนีแล้วไปแล้วค้นจาความหลงแล้วถึงความลูกลยความูจากหลงนี่คือนักบวดเหมือนทุกได้วไม่ทุกจากความทุ ก, กนี่คือนักบวสิงก็จะเกิดขึ้นตรงนี้สมาธิปัญญาเกิดขึ้นตรงนี้ อย่าม ch ีแต่พิธีรูปแบบเฉยๆเป็นเมื่อเป็นน้ำเป็นหมาให้ได้อมสให้ได้จิตใจได้ฉปัดจึงมีบางที่สุดการปฏิบัติอไเกิดขึ้นกับปากกระไกลได้ดีพร้อมๆในรูปทุกเท่าเดียวกัน ทุกข um. mm. ่างทุเนี่ยเกิดขึ้นในคาเดียวกันไม่ใช่ทิ้งเอาไว้เดีวทิ้งเอาไว้โกรธข้ามวังข้ามคืนทุกข้องตีข้างเดือนวางพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นก็ามภพามชาติก็มีแล้วสเป็นมิสายเปิดเบื้ง จิตใจบริสุทธิ์หมดเพื่อนไปหมดเลยกลายเป็นจิตที่สมสอหมักงมเหมือนกับถ้าขาที่จะออกแต่เดินอยู่แล้วสิ่งจบปกมาเพื่อนวมสาสหมดเลยนี่เองสิ่งจบปกแต่มันก็ซักได้ค่ะ จิตใจก็ซักได้ที่กัวเาเรวจึงหัดม า, มาำนานเพื่อจะได้เกิดประโยชน์จะได้พึ่งพาใส่ได้มีเป็นที่พึ่งของตนเองได้จน เนื้อสารเกิดเจริญต่าได้ถ้าเกิดถ้าไม่เกิดก็เกิดดับเกิดดับสัญเกิดเป็นพวกเป็นภูมิต่างบางทีก็ตกในภูมิวันตอบายพืตม่มสัตวระจานอสุลกายจัณโลกเปรตเป็นภูมิวันต่ำจิตใจนี้มันไปอย่างนั้นก็ได้ถ้ามาเกิดมันาคนะ อันตรามากคนเราเนี่ยมีภูมิภพภูมิมาเหมือนสัติ์ิระจสนสัตว์ประจัญสนก็สุดแล้วภูมิของเขาเขก็ต้องอยู่ในภาพแบบนั้นเราจูงไปท่าเราเดินไปเราไม่รู้ว่กภาษาที่ท่าคืออะไรเรไม่รู้ภาษาที่เราเป็นทตู้ก็ไม่รู้ ภาษากลัวอาจะล่ววตายลงอยู THE ่แต่เริมมาด้ยจ <oughs> ัวิธีแช่ไม่จะล่วงตอนนั้นเน่น้นตาร่วง้จะกลัวตายด้วยจะหนีภัยก็ไม่ล่งก็ยังมีขาดที่เป็นเหนือพวานั้นที่มืรคับ เราไม่พัฒนาตัวเองมาไล่เป็นดีก็มาไล่เป็นมามืดก็เป็นมืดไปก็ามามืดไปอยู่สว่างหรือว่าพัฒนาทีวิตของเร า, าเป็นอย่างนั้นมามืดไปอยู่ความสว่างไปที่มาสว่างไปอยู่ความรู้ถ้าเราไม่พัฒนา มันจะเหมือนหน้าหลัจากที่ถุงมือที่ต่ไมันจะไหลไปจู่ทางต่ำจิตัองเราเนี่เหมือนเป็นเช่นน้ำง่ายง่ายไปทางต่ำเพรมันมีชิงแบบล้อช่วยให้ต่ำตาหูจะหมุนได้ง่ายจายลูกก็ดขิงเฉียงจอมพัดอารมณช่วย จิตใจต่ำลงไปเราทำเท่าไ่ไปเมือบนเห็นคนขี่ชาติไปบางล่างเห็นชางิี่คนคือมันต่ำชางิเขาี่อออกหัวจิตที่มันต่ ำ, อออ ย, ตำยอมลับท้ยความรู้ความกวดความโลภความหลงรอมลับท้ยเร็ดหน้าละหะ ติดโนติบุหรีติดเงินติดทำควงชั่วเนทุกข์เป็นโทษตัวเองเจียนตายที่กิดสัจตางนิดบางคิดเดินาองเนทางไม่ได้มจึงเป็นอย่างนั้นลูกมีพวกแน่แล้ใครจะเป็นทุกข์อกเ้เราเป็นอย่างนั้น เพราะเราเนี่ไม่ใช่เราคนเดียวมีพ่อแม่พี่น้องลูคนนุ่มัยุ้คนร้อยคนมีคนเดียวคนด้คนกทุกไปหมดอนั้นใช่ไหมจนนุงไปพัดเลือดทหารผูเฉียวเดินทางไป่วัเป็นหมู่รุ่นทหารเต็มด้วยกัน กคยคนหนึ่งเป็นเพื่อนกันคิดเดียวกันแต่กันโชคลองเท่าขโมยแบบคนเด่นก็เื่องกันระวังมีเงินเจอไปช่วอยู่ชื่อยกินก็จะทำไงน้อก็บอกวไปนะเก็บดีอย่าบังมันแน่นอนนะก็มัครระวัง อย่างนวลดาวร่มไม้หลังที่มันนอนอยู่บ้านหนองคันเนี่ยเดินทางข้ามมานอนหนองคันมืดแล้วทำไงการนอนนอนอยู่หองคันนัันทีมีต้นหนามพองต้นใหญ่อยู่ข้างหนองมันเป็นหลอนขั้วในในบ้านากระสัง หลวงพ่อก็คิดหลังเห็นเราจะนอนยังไงจะนอนเบียดกันก็มาดีคิดกลัวคนด้านจะมารับเงินในกระเป๋านีหรอกคิดยังไงเ่อจะคิดยังไงะแล้วก็บอกว่านอนหันหัวส่กันให้เป็นเหมือนกั กับกำเขียนที่มีในดุมสาหัวเจิกกันไม่ให้หนื่อกันแล้วก็บอกว่าเพื่ออะไรเพื่อผีหลอกบาจะเตะนมาไม่ได้คนก็มีขาเตียมเตะถีหลอกถ้าัวบผีหลอกป่ะที่จริงเราขวคนนี้มันมันหัวเกกันหัวเจกกันก็ไม่เบียดกันนะถ้านอนตียงก็เบียดกันงี้มู เดือกันจะมือทำไปขโมยได้เหนื่อสดเลยนเลยก็รนคเนเดียวก็เดือดร้อนปาตเดียวนามนไปหมดทุกตัวแล้ก็เอนเพนเนี้ส่วนรวงรัฐประเทศ เช็นคนเห็นแก่ตัวกัดไม้ทำลายป่าเราไม่เคยตัดต้นไม้มมก็เริ่นตัดบาคนคนที่ไม่ตัดก็เดือดร้อนทุกวันนี้ก็ร้อนบนหลังเขาหลอกหัวยอดเขาลูนี่ไม่เคยเมีกตาดต้นแบบนี้ไีนี่ก็ร้อนกวาปีก่อนปีเก่าจอคน เห็นเจตัวคนไม่ถือคนตอนนั่งคนอื่นเดนรดร้อนเด็กก็ยังดีหน่อยใช้ภูมิสำรวดสถิติของประเทศจะ ท, ทเจังหวัดประเทศที่หน้าอยู่อัจังหวัดที่หน้าอยู่ที่สุดก็คือจังหวัดที่งพูนได้ดับที่สี่ จังบาทนักข่าวก็นมออดดับที่หนึ่งเป็นจังบาทที่หน้าอยู่พ่อชาวนันก็อาจจะเป็นความบ้าของบาประเทศที่หน้าอยู่ในโลกก็มีนิวชิ้นเลยนี่อารียประเทศยุโรปเมริกาก็ประเทศเมริกาอร์รียประเทศหน้าอยู่ ก็าเคยไปอยู่คนแถวนี้ประเทศนี้ทิเลนี้ไปไหนโลกโลกไม่ต้องทำใบซ่อมไปได้ฟรีเลยเพราะคนในคุณภาพคนเห็นเกีประโยชน์ชวนรวงที่สุดคนนิวซีแลนเนี่ยแลออย้วก็ยุยงขั่ทุกประเทศตัวตลาดนี่ก็ดี แตยังไม่ดีเท่าแบบนี้เลยชีวิตของผู้คนปลอดภัยสูงประเทศทั่วประเทศไม่มีรั่วเรื่องกวงางสัตป่าเดินหัชิ้นได้ตามหมู่บ้านในหมู่บ้านเราผ่านได้ไม่มีรว่ไม่มีกำแพงอะยรทุประเทศได้ บริการผู้คนเต็มที่เป็นถนโนวนทาจอดที่พักให้ทจทย์ลดพักผ่อนให้มีระบายมีตู้ทรศัพท์มี ห, มมห้องอาหารในห้องรั่วพอยดูแลเวลาไะจอดัก บริกรประชาชนตัวรจัก้ตรวจโรคไปไขเจ็บปีหน้ามงส่วงสอบบริสุท์ปีหน้าเบรนปีไม่มีเก้วนะประเทศจีนแบไม่มีเก้วจนหนแบบนี้ก็มีอะไร ก้รเตะพวกเขาม um, like ีทั uh ่วไปไอ้ก hu ้อนหน้าแบบนี้ไอ้ถามแบบนี้ขึ้นไปเหยียบนี่หน้าก็ไหลกันดีไหมไม่มีไม่มีความเจ้าสำน้าขึ้นไปยืนแล้วกนหาไหลก็คิดหน้าเสร็จมัมีม้ยลหน้าลหน้าลน้าเราลงอ่นๆหาก็จุด หุดเลยหานี่เจือปนน้าของกขาอาหารไม่อดจิตพังนไีรถกมตางวิ่งเจ็บ่อนอดนดนอดตอเราเดันทางรถเสียสางทางไม่ต้องลงรถเปิดไบถ่ายไว จอทางทางลปตงทางไปเห็นไม่ต้องขอลงจัดก่อนดึงล่าพระถามจจจะไปอูที่ไหนคนเจ้าของรถก็บอกไปที่นั่นก็ไปจงประเทศจนี้ ขูดรถหลวงก็ไปเฉียวหารถลาศมายังหกเก็ดก็มดดก อ, ไอ ก, มอกมไปแล้วเกือบคันแล้ว <c oughs> เอาอยเยอะไปด้วยเขาจัดอาหารเยอะแยะในที่ตกป่าอนเราก็อยู่ที่นั่นตกเบ็ดตกป่าจะป่าขนาดไหนมีเบ็ดมีเล่ เนี่ยอย่าลงไปกอดดิงเนาะก็มีมีกะมีมีชาวเซตายมงานมาหย่อนบางดินใบกวาลุกไปเลยก็เวลาดูบ่าถกกว่านกจุดตาบางลราไม่อวนเท่ารลดคอนใจดึงลมมันคงไม่ ม, อมีอ่ะน่นารูยา เยอะแยะเลยฝวงตานอ น, นทางมันตาในป่ารถชนตายต้องหมายที่มีทางผ่านขวงก็เขียนไว้แล้วหวังหวังวิ่งผ่านเป็นลูะตรงหมายไม่ให้ผ่านก็ทำเป็นรั่วจัดแกงสูงๆแต่วันก็ผ่านจนได้ชนจนได้เคยชนกค่หนึ่งมันตาเคยไป เรกไม่ได้ชมน <c oughs> มันลงนั้นครกบอนเรามาตลค่อยๆไปมันมาเห็นไฟน่ะรถก็วิ่งตางรถไปแนวรถก็าวิ่งแยบที่ถนนจะตกผมก็เบียดไปเบียดกันควงมีเบียดเอแล้วก็หลไม่ได้ติดถนนติดฝังแวควก็วิ่งแยบไปด่ากันแไปไปไปา น, นากันควงล้หัว นกเพื่อนก็ตายไยล้ไม่รู้เราจะทำยังไงก็ลงมาดูแลตายแล้วรดขว่มทานก็หมือจัดการยกเขาไม่ได้ตับรถตับป ล, ลาอะไรเฉยๆเขาหมอยกย ก, ยกตกววัวิเวียนตลอดเไม่โกงกูตยกขา เขาไ่หลับเฉลยเนีแล้วห้องกินนะ่นะเฉลยนี่ยตอาหารกับมดร้านที่กินกวางต้องแห่หมอไปตรวจซะก่อนไปดูซะก่อนต้องหมอไปตรวจห้องกินม า, า, <c oughs> า, าเยอะแยะอ่านยอไปเท้องตัวก็จะน้นประเทศตาติได้มีแต่ตลาด ทำยังไม่มือนที่อื่นที่มานสอนจะตปฏิบัติตามเลยนั่นก็ไม่มีอะไรมากมายก็เราก็มีแค่นี้ก็ให้เราช่วยกันเถิดกันจิตกรรมอะไรช่วยอยู่ด้วยกันให้ให้เป็นทิศทางไปทางเดียวกันจะสนุนกันละกันให้เหล่าผู้ปฏิบัติจิตมานอนแล้วก็เจริญเท่ทนนากเก็บ า, ายไป ให้เขาที่อยู่ด้วยกันทำความดีโต่อกันมากอย่าให้มีกองชั่วที่ปเป็นเหยียดเย็นตนและคนอื่นเด็ดขาด ต, ต, ตามไม่นายน่านโกรธท่าทะเละาะหรือว่ากันได้กันเพื่อให้เกิดความหวาดผ ข, ของหมูนนะ่บ้านอะไรที่มันดีมันงามมาสร้างสรรคน้องต่อไม่ก็หัวจะกป้า บ, บางทีเยี่ยม นะว่าจะไปตรวจหมอหมอเขาให้มาเลยเราหาว่าเรามาตรวจเกี่มันี่ยถ้าเรลงานหมดแล้วหลวงพ่อเหลือนิดหน่อยหลวงพ่อใช้เกินไปก็ไม่ได้ทำอะไรนะเออข อ, อขอร้องขอร้องให้หลวงพ่อนอน ก, นก่อนอยู่โรงพยาบาล น, นี่เยอะสงสาที่ มันเกขึ้นมาขอให้เราตามดีเท่านให้จุดิกยาไปน้าเกลืออะไรแบบนั้นให้อาหาเลยห้องเหมืนกับโรงแรห้าดาวเลยห้องเสบายสบายใหญ่พวงหวงก็อนู่นอนก็แล้วก็ตัวก็ดีขึ้นมาดีขึ้นมานเราไม่ได้โล่นะแลก็เป็นโรคมัเรงไม่รู้อ่ะเจนเป็นโรกมะเร็ง จะสนุกไปกับการหนาค่ะ ม, มันก็ไม่เหมือนเก่ับวันนี้ทุกวั น, นที่เจอมาสู่จุด น, น, นี้เหมือนกันแต่หลังหนุ่มก็มองสาวนี่ที่ปฏิบัติกับเขาจากวันหนุ่มได้จับพูดว่าประจบการณ์นี้มาแล้วไม่ต้องกลัวเลยพูดจากนี่กับหมอขำพลตอนที่อยู่น้องไอซิสู หม อ, อคนหนึ่งวิ่หน้าิาหลังนอกตาหายใจไม่ได้เห็นหม อ, อคนหน่งเป็นทุกข์ก็เลยบอกว่าคนหมอต้องมองหลบผู้ให้จบก่อนแล้นี่สี่สิบกว่าปีมันก็เป็นวันนี้ของเราสี่ิตปีไม่ใช่ส0ิปีนู้นมันเป็นวันนี้มันเป็นโอกาสนี้ให้ต้องห่องนี่ก็มีในกวา เป็นที่เพื่งได้ดึงเพือว่เวลาม็นหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงร้ายแบบนี้เวลามานทุกข์เห็นมันทุกข์ไเป็นผู้ทุกข์พ้นเจาทุกข์ได้เวลามานโกรธไม่เป็นผู้โกรธพ้นจาของโกรธได้วิธีที่จะเอาชนะความเกลีเจตตาเวลามานเจ็บเห็นมันเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บเวลามันจะตายเห็นมันตายไม่ได้ตายพระองค์ตา นี่คือปฏิบัติธรรมจากความผู้เยันเข้าเยอะยันโดเท่านี้เริ่มข้าแรกไปอย่างนี้ร่งกายจะว่าตายไม่ใช่จุดอุปกคณ์ตัวตนโล่อขอนไปแล้วจุดทุกข์เกิดขึ้นจะว่าจุดว่าทุกข์ไม่ใช่จัดอุปกรณ์ตัวตนหล่อของนอนไปแล้วความที่จะเกิดขึ้นจะว่าความที่ไม่ใช่จุดอุปกคณ์ตัวตนโล่อ ไปแล้วทำากิดเป็นชาววาธรรมาช้จักรปุกันตัวตัวเราไปแล้วไปแล้วไปแล้วถอนนอนตอนนี้ดอนใหญ่ฟังได้นะมันต้องเหนีก่อนตองไ ป, ปไปแบบนี้ทำไงไม่จะได้ถึงโอกาสนี้แล้วน่อเป็นสวนตัวสวนตัวทำฉันทำได้ รักกันก็ช่วยกันไปได้เพราะแม่รักลูกก็ช่วยลูกไปได้ลูกรักพ่อแม่ก็ช่วยพ่อแม่ได้ปัญญาสามีรักกันก็ช่วยกันไปได้เพื่อนรักกันก็ช่วยกันไปได้ต้องช่วยตัวเองเดินแหงเมาทีสุดที่ไหะแล้วควรเจอกันแ้